ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึอเรื่องปัญหาของพระอาอนนทิระข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตาวันทรงปรารบปัญหาของพระอาอนนทิระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสับบปาปั ส, สะอักรนวังเป็นต้นตอนการแห่งพระพุทธเจ้าต่างกัน แต่คำสอนเหมือนกันได้ยินว่าพระเถ ร, ระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทุกอย่างคือพระชนนีและพระชนกการกําหนดพระชนมายุหมายเป็นที่ตรัสรู้สาวกสนิบาตอัครสาวกอุปถากแต่อุโบสถมิได้ตรัสบอกไว อุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระสัสดาแล้วทูลถามเนื้อความนั้นก็เพราะความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคถาไม่มีด้วยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ได้ทรงกระทาอุโบสถในทุกๆเปีเพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้เจปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีและเวสภูทรงกระทาอุโบสถในทุกๆ6ปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้6ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากุกสันธะและโกนาคามนะได้ทรงกระทําอุโบสถทุกๆปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้นพอไปได้ปีหนึ่งปีหนึ่งพระกัสสปทศพลได้ทรงกระทําอุโบสถทุกๆุหกเดือนเพราะพระโอวาทที่พระองค์ทรงประทานในวันหนึ่งเท่านั้น พอไปได้หกเดือนฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันแห่งการนี้ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วตรัสว่าส่วนโอวาทคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละดังนี้แล้วเมื่อจะทรงกระทําอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจ่มแจ้งจึงตรัสพระคาถานี้ว่า สัพพปาปัสสะอกระนังกุสลสูปปัสมปดาสจิตตปริโยดปนังเอตังบุตธานะซาสนังขันตีปรมังตโปติติฆานิบบาทังปรมังวัันติบุตถานะหิปบาจิโตปรูปะคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโดอนุปคาโต ปาตุยโมเขจะสร้างวโรมาตันยุตาจะพัตสงปันตันจะเยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโกเอตังบุทานาซาสนังความไม่ทำบาปทั้งสิน้นความยังกุศลให้ถึงพร้อมความทําจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความอดทนคือความอดกลั้น เป็นธรรมเผ่าบาปอย่างยิ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะความไม่กล่าวร้ายหนึ่งความไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตาหาหนึ่งที่นอนที่นั่งอสงัดหนึ่ง ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสัพปาปัสสะได้แก่อกุศลธรรมทุกชนิดการยังกุศลให้เกิดขึ้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงพระอารหัตมรรคและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญชื่อว่า อุปสัมปทาการยังจิตของตนให้ผ่องใสาจากนิวรณ์ทั้งห้าชื่อว่าสจิตตาปรโยดปนังบาประกาถาว่าเอตังบุทานศาสนังอัจว่านี้เป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทกพระองค์บทว่าขันติความว่าขึ้นชื่อว่าความอดทนกล่าวคือความอดกลั่น นี่เป็นตบะอย่างยอดยิ่งคืออย่างสูงสุดในพระศาสนานี้บาพระกาถาว่านิบบานังประมังวดันติบุท ธ, ธาความว่าพุทธบุคคลทั้งสามจำพวกนี้คือพระพุทธะจำพวกหนึ่งพระประเจกับพุทธะจำพวกหนึ่งพระอนุพุทธะจำพวกหนึ่งย่อมกล่าวพระนิพพานว่า เป็นธรรมชาติอันสูงสุดบทว่านหฮิปบัชิโตความว่าบุคคลผู้ที่ล้างผลนบีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ด้วยเครื่องประหารต่างๆมีฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่าผู้ทำร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบัพชิตบทว่าสมโนความว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ โดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหมือนกันการไม่ตีเตียนเองและการไม่ยังผู้อื่นให้ตีเตียนชื่อว่าอนูปาวาโดการไม่ทําร้ายเองและการไม่ใช้ผู้อื่นให้ทําร้ายชื่อว่าอนูปคาโตบทว่าปาติโมเคได้แก่ศีลที่เป็นประธาน การปิดชื่อว่าสังวโรความเป็นผู้รู้จักพอดีคือความรู้จักประมาณชื่อว่ามัตตัญยุตาบทว่าปันตังได้แก่เงียบบทว่าอธิจิตเตความว่าในจิตอันยิ่งกล่าวคือจิตที่สหรัตะด้วยสมาบัติแปการกระทำความเพียรชื่อว่าอาโยโกบทว่า เอตังความว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ในพระคาถานี้พระผู้มีพระภาคตรัสศีลอันเป็นไปทางวาจาด้วยอนุปวาตะตรัสศีลอันเป็นไปทางกายด้วยอนุปคาตะตรัสปาติโมกศีลกับอินทรสังวรศีลด้วยคำนี้ว่า ปาตุโมโคจะสร้างวโรตรัสอาชีวปาริสุทธิศีลและปัจจัยสันนิติศีลด้วยมัตตัญญุตาตรเสนณะอันส ป, ปายะด้วยปันตะเสนณะตรัสมาบัติแปดด้วยอธิจิตด้วยประการนี้สิขาแม้ทั้งสาม กำเป็นอันพระองค์ตรัสแล้วด้วยพระคาถานี้ทีเดียวนั่นแลในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นฉนี้แลเรื่องปัญหาของพระอานนทถระ